มาขึ้นเนติปกรณ์ต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้เรียนพระพุทธคุณเนี่ยนะข้อความในเนติปกรณ์เววั จ, จะนะหาระหน้า67นะทบทวนถ้อยคำที่เป็นไวยพสคำที่ใช้แทนคำว่าพระพุทธเจ้าอยากพุทธานุสตินิเทศเนี่ยนะอย่างพุทธานุสตินิเทศมีอยู่9บทหลักๆ ก้าบทหลักๆคืออะไรหนึ่งอรหังสองสัมมาสามัมพุโทโธสามวิชาจารณะสัมปันโน ส, สุขโตห้าโลกวิทูหกอนุตตรปริสธรรมมสารทิเจตสาธาเทวมนุษษานางแปดแพุทโธเก้าพัวาอารมี9ก้าบท อีกในหนึ่งท่านบอกว่ามี1ิ บ, บทคือแยกอนุตตรกับปุริสธรรมมสารทิออกจากกันก็เลยเป็นสิบบทเรียกว่าพุทธคุณสิบก็ได้พุทธคุณเก้าก็ได้นะทุกบทสรรเสริญได้หมดที่นี้ตรงนั้นเป็นคำตรงๆทีนี้มาดูคำที่เป็นไวยพจน์ไวยพจน์นี่แปลว่าคำที่ใช้แทนเนี่ยนะบางทีคนหลายคนมีหลายชื่อใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็มีหลายชื่อตามคุณนะสมบัติเพราะ เรียกพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกตามคุณธรรมที่มีอยู่ไม่ได้เรียกตามคําที่พ่อแม่ขนานให้ใช่ไหมเคยได้ยินไหมบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จมาแล้วไม่มีมีแต่บอกพระพุทธเจ้าก็เรียกตามคุณธรรมคุณสมบัติที่มีอยู่อย่างเช่นกลางกลางหน้านะลากลางกลางหน้า ท่า น, นิพพติคโตพูดถึงความสําเร็จในกําลังสิบจริงๆคําว่าพร ะ, ะมีหลายในะนะตรงนี้ท่านยกมาว่าพร ะ, ะสิบจริงก็มีหลายในะนะพระองค์มีพร ะ, ะห้าพร ะ, ะหกหรือพร ะ, ะสิบเป็นต้นะนะมันก็อันนี้ก็เป็นกําลังคองพระพุทธเจ้ากําลังในที่นี้หมายถึงกําลังญาณ น, นะกําลังปัญญาผู้สมบูรณ์ด้วยกําลังคือปัญญาไม่ใช่หมายถึงกําลังกายแต่กําลังกายของพระองค์เนี่ยของเราเนี่ย เราเราแสนโปดคนเนี่ยจะมีกำลังเท่าพระพุทธเจ้าหนึ่งคนถ้ารวมพลังกันทุกคนนะัประมาณแสนโกดคนจึงจะมีกําลังเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์องค์ <Yeah. S 1> มีกําลังกายมากขนาดนั้นแต่กําลังกายไม่ใช่เป็นตัวทําให้รู้อริยสัจกําลังคือปัญญาที่เป็นตัวทําให้ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะนคนแข็งแรงมากบรรลุอริยสัจเนี่ยนะเคยได้ยินไหมนักมวยนักพ่อกายแรงบึกหมดเลยนะแล้วแทงตลอดอริยสัจหายากเต็มทีใช่ไหม กำลังที่จะทําให้รู้อริยสัจนั้นคือกําลังปัญญาเวสาลัชปัตโตผู้บรรลุเวสารชัปปรารชยานย่างที่ทําให้พระองค์ปลกล้ากล้าด้วยอะไรเวสารัชายานมีสี่หนึ่งขีนาสะวะปฏิญญาพระองค์เนี่ยปฏิญญาว่าผู้สิ้นอาสะวะสี่อาสะวะสี่เช่นกามาสะวะภวาสะวะทิฐาสะวะและอวิชชาสะวะมีผู้ใดกล้าไปบอกว่าพระองค์เนี่ยนะยังเหลืออาสะวะข้อหนึ่งยังละไม่หมดมีไหม ไม่มีอันนี้ทําให้โปร่งกล้าข้อที่สองสัมมาสัมพุทธาปติญญาไม่มีผู้ใดมากล้าตนนี่พระองค์ว่าพระองค์นับปฏิญาณว่าเป็นพระสำมาสัมพุทธเจ้าแต่ท่านยังไม่รู้เรื่องนั้นไม่รู้เรื่องนี้พระผู้ธเจ้ารู้ไม่จริงรู้ไม่ครอบรู้ไม่หมดรู้ไม่พออันนี้ไม่มีเนี่ยนะเราเชื่อว่าพระองค์เป็นสัพพัญญูอย่างแท้จริงรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตรู้ทั้งปัจจุบันรู้ทั้งสังฆะแล อสังขตะโดยไม่มีส่วนเหลือไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้เนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าเวสารัชยานข้อที่สองข้อที่สามอันตรายยิ่งการทมเทศนาถ้าสิ่งใดที่พระองค์ตรัสว่าเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานสิ่งนั้นเป็นอันตรายจริงเช่นถ้าปฏิสนธิด้วยเหตุุกะปฏิสนธินั่นนะไม่ต้องบรรลุมรรคผลหรอกฌานยังไม่ได้เลยอันถ้าไปเกิดเป็นเดรชาจ้จบเลย ไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะบรร ล, ลุมรรคผลแล้วโอ้ยทำบุญมาเกิดทันยุคประสิทธอานแต่ในนามเป็นเดรฉ า, านนี่จบเลยใช่ไหมไม่ต้องบรร ล, ลุอะไรกันแล้วแต่ไม่แน่นะพระองค์อาจจะสงเคราะห์แบบเราเป็นกบนะสมมุติจะเป็นกบเลยสมมุติเนะี่เป็นจะริงกัยุ่งกันเพรว่าถ้าทําบุญมาดีไปเกิดเป็นกบในสมัยนั้นเลยพระองค์ก็อาจจะไปโปรดแบบมันดูกะเทพบุตรตอนหลังก็บรร ล, ลุอีกก็มีนะถ้าสังสมบุญไม่ดีนะไปเกิดเป็นกบยังได้ดีในตอนหลังเลย แต่ว่าอันนี้ย้อนกลับมาว่าถ้าปฏิสนธิเป็นอเหตุกะปฏิสนธิหรือทวิเหตุก็ไม่มีสิทธิ์บรรลุข้อต่อไปอีกอันนะั้นหนึ่งนนะวิปาตาวณกิเลสาวรใครที่เป็นนิยตมิจฉาทิถิก็บรรลุไม่ได้ถ้ายืนยันในลัทธิของตัวเองไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยนะก็บรรลุไม่ได้แล้วก็กรรมาวณฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพารันทําโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อทําสังฆเพศก็บรรลุไม่ได้ ได้ละเออันนี้เรียกว่ากิเลสกรร ม, มาวาลแล้วก็กิเลสสาววลอันนั้นกกิเลสสาวรก็ทิฏฐิว่าไปแล้วนะอนาวิติกมะอนาวิติกมะก็คือถ้าเป็นพระพิสุนะถ้ามีอบับดติตัวอยู่บรรลุไม่ได้นนบรรลุไม่ได้ถ้ามีอบับดติตัวอยู่แต่ก็ในดีกาพระวินัยท่านบอกว่าผู้ที่มีอบับดติตัวก็คติสองคือนรกกับเดรชาก็ ใจอยู่ตอนนี้ทนบวชแล้วสบายเมียบัตติดตัวเราจะเครียดเลยก็ใครจะบวชก็คิดให้นดีๆหน่อยนะโทอีกครั้งหนึ่งนะว่าพระองค์นี่ถึงพร้อมด้วยเวสาลัชยานว่าไปแล้วหนึ่งอะไรขีณาสวาะสิปฏิญญาสองสมาสัมพุทธปฏิญญาสาม อนาวีติกมะเนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายคือนิยานิกธรรมเออไม่ใช่อานิอนิยานิกธรรมอันตรายยิ่ธรรมเทศนาแล้วก็สุดท้ายคือนิยานิกธรรมเทศนานิยานิกธรรมเทศนาคืออริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคเป็นตัวที่นําออกจากทุกจริงหรือคําสอนที่พระองค์สอนโดยเฉพาะสติปทานสี่สัมมาปทานสอิที่บาสีอินทรีห้าพละหโพชฌงเจ็อริยมรรคมีองคปด คำสอนเหล่านี้นําให้เราออกจากทุกได้อย่างแท้จริง น, นะยังพงก้ายืนยันเลยนะอย่างสติปฐานสูตรเนี่ยใช่ไหมบอกเลยโดยกรกตทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกกระปริเทวะเพื่ออัศรงดับไปแห่งทุกข์และโทมนะัทเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปฐานสี่เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะของนิยานิกธรรมเทศนาเป็นวิธีปฏิบัติแล้วนําออกจาก กองทุกได้จริงเนี่ยนะแม้กระทั่งการตามเห็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นต้นข้อปฏิบัติเหล่านี้ก็นำออกจากกองทุกได้อย่างแท้จริงฉั้นพระ อ, องค์เนี่ยบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมสี่ประการเนี่ยพร อ, องค์จึงไม่รู้จักข้านครามเลยไม่รู้จักหวาดเสียวเลยนะสะดุ้งคือจะไปที่ใดแล้วสะดุ้งหวาดเสียวคนลุกพองสยองกล้าด้วยอานาจความกลัวไม่มีส่วน อัดที่ขตัตปฏิสัมพิโธแปลว่าผู้บรปปรลนะุปฏิสัมพิทา4ประการเนี่ยนะปฏิสัมพิทาเป็นชื่อของอะไรปัญญาปัญญาที่ถึงความแตกฉานสี่ประการแตกฉานในอัดแตกฉานในธรรมแตกฉานในนิรุตและปฏิภาณเนี่ยนะก็เดี๋ยวภาพายเรียนปฏิสัมพิธามักต่อไปกันแล้วกันจตุโยคบิภิโน ah ผู้ละโยคะสโยคะนี่แปลว่าเครื่องประกอบ เครื่องประกอบเครื่องร้อยรัดผูกมัดขันให้มันติดกับวัตตะเนี่ยนะพวกนี้ละได้หมดแล้วถ้าเป็นเคยเห็นอะไรนะเชือกที่มันมัดมัดมัดมัดอะไรให้มันเกาะอยู่เป็นกลุ่มใชพระพุทธเจ้าก็เหมือนมีขวานอันหนึ่งไปสับสับสับเชือกเหล่านั้นขาดหมดเลยคือถ้ามองแบบโยคะส่เนี่ยนะโยคะส่เนี่ยอะไรหนึ่งนะกาโมโยคะสองทิฏฐิโยคะสามภาวะโยคะสอวิชโชคะ ถ้าโยค่าสีเนี่ยมองเท่ากับเหมือนกับเชือกเส้นหรือเหมือนกับโซ่ใหญ่ๆสี่โซ่เนี่ยนะเพราะเราลืมตาพับเนี่ยนะโซ่สี่โซ่มัดเลยโอ้ขันแน่นสนิทนะหูได้ยินเสียงหนึ่งเสียงก็ขันติดในสีทุกทวารทุกทวารเลยนะโยค่าที่เราไปไปติดทั้งหมดเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีอรหัตตมัคคยานเนี่ยฟันฉับขาดหมดเลย เรียกว่าละได้ขาดหมดไหมนะไม่ไม่เกาะไม่ติดไม่อะไรทราบอย่างเลยนะทีนี้ถามว่าเอ๊แล้วแล้วเราถูกประกอบเอาไว้มันเสียหายตรงไหนสมมติถ้าเรามีมหาพูดแล้วเราก็เกาะตัวเองติดให้ติดกับมหาพูดแล้วเสียหายตรงไหนเสียหายไหมเสียหายนะติดมหาพูดใดก็จะไปอยู่แถวแถวมหาพูดนั้นแล้วจะลำบากมหาพูดคืออะไรไ ม, มหาผีมหาหลอก ระวังเนียจะถูกผีหลอกพอมาหาพู้เนี่ยเออมันหลอกเราจริงๆเลยนะหลอกซะจนหัวปั่นหมดเลยเนะหลอกเลยเราเครียดเลยนะเอ็มจะเอายังไงกันเนี่ยมหาพูดอันนี้จริงๆก็ถูกผีหลอกไปดีนี่แหละออกมามาเออตอนนี้เจริญมาหาพูดนะเข้าใจง่ายมากก็คือระวังจะถูกผีหลอกให้เราดูท่าจะทําท่าจะเข้าใจกับเขาเหมือนกันนะบอกเออระวังจะถูกผีหลอกนะมันหลอกซะเราลอกให้เราชอบบ้างลอกให้เราทังบ้างลอกนะไม่หลอกเียไม่ใช่ลอก หลอกให้จนเราชอบบ้างหลอกให้จนชังบ้างหลอกให้เกลียดสุดๆหลอกให้ชอบสุดๆก็มีนะถูกผีหลอกจริงๆหลอกไปหลอกถูกหลอกไปหลอกมาก็จะเสร็จแล้วก็มหาบริหารแล้วกันนี้เสร็จแล้วก็มาหาพิการหมดเนื่อหมดตัวเลยนะหนักที่สุดก็ไปเฝ้ามหาพูดชั้นเลวนะเขถูกผีชั้นเลวหลอกต่อไปอีกเงี้ยแต่ระวังให้ดีทีนี้ถ้าใครที่ไม่ละโยคะเนี่ยจะถูกผีหลอกเนี่ย ข้อต่อไปนะว่าอัคติคัมมะวีติวัตโตคู่ล่วงพ้นการถึงอัคติอคตินี่มีอยู่4ประการ1นฉันตาคติสองหนฉันตาคติสองโทสาคติ3โมหาคติ4ี่พยาคติภาษาไทยนิยมแปลว่าลำเอียงนี่ไงนิยมแปลว่าลำเอียงว่าลำเอียงเพราะชอบ ลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโง่ลำเอียงเพระาพระกลัวคือทำให้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติชอบเลยนะเพราะความลำเอียงใช่ไหมถ้าเราลำเอียงในสังขารว่าสวยสังขารว่าเที่ยงด้วยอำนาจอัคติเนี่ยนะฉันท่าคติที่เราถือว่าสังขารนี่สวยถามว่าเราจะคิดตามเหน็นว่านี้ทุกเนี่ยจะสอดคล้องไหมไม่สอดคล้องอันนี้ไ่อัคติอย่างนึงนะลาเอียงอ่ะนะลาเอียงเพราะเขาคิดว่างามคิดว่าดี ก็เลยไม่ยอมที่จะไปพิจารณาว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ชาติทุกชราทุกขพยาที่ทุกเป็นต้นเนี่ยไม่กล้าเข้าไปคิดเลยนะมันดีอย่างเดียวสมมตินะคิดง่ายๆนะไอความที่เราลำเอียงขึ้นเห็นลูกเห็นหลานที่มันน่ารักเนี่ยเราไม่กล้าคิดวันนี้เป็นทุกข์เลยนะชาติทุกชราทุกลูกเอ้ยเนี่ยนะเจ้าต้องมารับภาระแบกโลกนี้อีกสี่ห้าสิบปีนะ โอ้ยมสงสารลูกเลยนะมันเกิดขึ้นมามันต้องมารับภาระทั้งโลกเนี่ยมันจะทุกข์ขนาดไหนเนาะไม่ค่อยบอกว่าลูกเราต้องดีต้องเยี่ยมต้องเก่งอะนะนี่แต่แต่คิดแต่ตรงกันข้ามหมดเลยไม่กล้าคิดว่านี้ทุกข์เนี่ยนะแต่ก็หลายคนในห้องเราเนี่ยนะก็ก็ไม่ค่อยชอบเลี้ยงหลานเท่าไหร่เพราะงั้นก็ดีเลยเลยฟังทำได้แต่ชอบเลี้ยงหลาน เ, นเป็จเลยนะดียังเดียวถ้าหลานเราเนะี่ยอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้แหละฉันทาคติถามว่าถ้าโทสาคตินะ โกรธจนฟังคำไม่ได้ก็มีบางคนที่โกรธโกรธพวกโกรธเพื่อนโกรธที่โกรธโกรธจนฟังคำไม่ได้สรุปว่าไม่ไม่ไม่ไม่ไปฟังโดยเหตุผลโดยประการตั้งปวงเพราะว่ามีคนที่เราไม่ชอบอยู่ที่นั่นง่ายๆนะพวกโทสาคติถ้ามีฉันต้องไม่มีเธอคล้ายๆแบบเนี้ยนะถ้ามีอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องไม่มีอีกฝ่ายหนึ่งนะมันแต่นี้เขาเขาถ้าเป็นโทสาคตินะไม่ได้พูดไพเราะอย่างนี้หรอกมีไม่ใช่ฉันกับเธอหรอใช้คําอื่นๆเนี่ยนะ แบบใช้แบบภาษาไทยแทย้ๆนะก็จะใช้คแบบําแบบนั้นนะแต่พวกโทสาคติก็จะไม่บางคนเนี่ยนะไม่ยอมอ่านพระไตรปิฎกบางเล่มเพราะโทสาคตินะนยากเนยอันนี้คือโทสาคติมันยากหรือบางทีก็โมหคตหิเราไม่รูนะนะนะ้หรือบางคนก็พยาคติกลัวมากเลยเจอเล่มนั้น่อยนะอคติสี่มันทําให้พระพุทธเจ้าไม่ไปด้วยอคติสี่ นะทั้งไม่ไปด้วยความชอบด้วยความชังด้วยความเผาแล้วก็ด้วยความกลัวไม่มีเนี่ยนะข้อต่อไปว่ากดทัตสันโลแปลว่าถอนลูกศรได้แล้วลูกศอนเนี่ย น, นะลูกศอนคือราคะลูกศรคือโทสะลูกศอนคือโมหะลูกศอนคือความสงสัยลูกศอนคือความเศร้าโศกเช่นบอกลูกศรแต่และอย่างถอนได้ยากหมดเลยเช่นลูกศรคือราคะก็ถอนยาก ถ้าชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะจะให้เลิกชอบนี่ยากจริงๆโดยเฉพาะชอบวัตตะเนี่ยนะบอกให้เลิกนี่ยากมากเลยนะยาใบตะมันไม่ดีมันไม่ดีโอ้ยากถูกปักทัศนินิตเลยไงลูกสอนคือความโกรธนะถ้าลองโกรธใครนะอธิบายไปเถอะสามวันก็ไม่เลิกโกรธมีคนบางคนเขาโกรธบางคนนะเราก็พูดพูดพูดพูดจนเหนื่อยะป่วยด้วยพูดด้วยไอแค่แค่พันละ มันไม่ดีนะไอตัวความโกรธเขาก็ไม่ยอมเลิกโกรธนะแล้วก็พวกเคขานี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะเพราะคนพูดเองก็ยังเข่าอยู่ไอลูกสอนคือโมหะมันก็ยังปักอยู่ก็ยังไม่นี้ทุกนะนก็เอย้ยังก็สุกดีอย่างเงี้ยนั่ น, นก็อริยสัจเป็นต้นก็เลยไม่ยอมเห็นเพราะลูกศอนคือโมหะมันปักอยู่ถ้าลูกศอนคือความสงสัยนะแล่นพล่านไปหมดเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกเขามาเคยยิงหนู มถ้าเรายิงไปกลางตัวมันด้วยลูกศรเนี่ยปักปับมันจะดิ้นดิ้นรนมากนะมันไม่อยู่กับที่นะมันดิ้นตะกุยตะการอย่างอ๋อชนิดที่เรียกว่าเต็มที่เรานี่ชอบเลยสมัยนั้นนะชอบเออมันจะได้ร้องมากๆมันจะได้เรียกญาติมันมาอีกก็จะได้ยิงต่ออยังไง น, นนะนะสรุปว่าพวกพวกผูกกก้ที่ถูกลูกศรยิงเนี่ยนะว่ามันดิ้นรนกรวนขวายมากอนะนะไม่ใช่แบบถูกยิงแนละ้วก็แบบสุวรรณสามในชาดกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกโดยมากถูกยิงปั๊บก็ดิ้นขวักเลยแหละ เสร็จ แ, แล้วผู้ที่ถูกลูกสอนคือความสงสัยแทงเนี่ยลักษณะเดียวกันมันพลาดไปหมดเลยนะั่นใจมันสงบไม่ได้เลยนะถ้าสงสัยนะั่นลองได้สงสัยอมันพลาดไปหมดเลยเนี่ยนะยิ่งเจริญพุทธคุณเนี่ยพอสงสัยขึ้นมาปับ๊บไม่ต้องเจริญต่อไปอีกแล้วสงสัยในพระพุทธหรือสงสัยในพระธรรมหรือสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในอริยสัจก็ลองสงสยัยดูเหรอวันนั้นเนี่ยไม่ไมไมขนานั้นนะไม่เป็นไรได้ทําอะไรหรอกถ้าบรรเทาลูกสอนอันนั้นไม่ได้ หรือลูกศอนคือความโศกนะเป็นโยมคนหนึ่งเขามีลูกบวชอันนี้ลูกเขาเป็นมาลาเรียตายพระนะพระลูกชายตายก็ปริมน้ําตาปริ่มอยู่ทุกวันสลับอาการกินเหล้าเป็นครั้งคราวเพื่อระ ง, งับความโศกกหมือนกัน ก, ก็ไปหาคุยกันไปคุยกันมาคุยยังไงก็ยังน้ําตาปริมอยู่นั่นแหละไม่เลิกโศกสัทีนึ่นงนะดอกโศกบานไม่รู้โรยเลยนะบานอยู่นั่นแหละลูกสอนคือความโศกนี้ก็ แม่จะให้อย่างสมมติแบบไปโศกเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่ศูญเสียเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคนเนี่ยแปลกนะลูกศรคือโศกอั น, นั้นจะพราอยู่นั่นแหละไม่มีเลิกมีราทําไมมันต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเป็นเราทําไมโอ้ทำไมท ำ, ท ำ, ทำไมทําไมอยู่นั่นแหละเสร็จแ ล, แล้วก็ลูกศรคือความโศกกว่าจะผ่าออกมาได้ยากจริงแต่พระองค์ไม่มีลูกศรเหล่านี้ปักอยู่ในใจเลยนะแต่ละคนเนี่ยถ้ามองว่าลูกศรนอ๋าย่อคร่าวๆมา5้าอย่างลูกศรคือราค่าลูกศรคือโทรศัลูกศรคือ มหะลูกศรคือความสงสัยลูกศรคือความโศกเนี่ยทุกคนก็มีลูกศรปักกันมาคนละเจ็ดอกเลยนะเป็นลูกศรที่เราว่าถ้ามองเห็นแบบภาพะนะคง น, นะถูกลูกศรเนี่ยนะปักเลยเจ็ดอกเนี่พีชเดินมาลูกศรปักข้างหลังมาเลยเจ็ดอกเลยนะห้าดอกเจ็ดดอกก็ปักมาเลยนะแล้วแต่ลูกศรตัวไหนมันจะถูกกระชากไปก็ดิ้นผลักๆยกตัวอย่างที่ ด, ดีแต่ไม่โกรธถ้าโกรธก็บาป คำ ว, ว่านิโรหะวะโนเนี่ยนะแต่ว่าผู้มีแผลที่เกิดจากกิเลสอันหายแล้วคนไม่มีแผลมาพูดแบบภาษาไทยๆแปลไทยๆว่าพระพุทธเจ้านี่คือคนไม่มีแผลแต่ถ้าคนมีกิเลสคือคนมีแผลลองเถอแะแผลตรงไหนลองไป็นรูปดูในเรื่องทุกครั้งเลยนะะเพราะมันเจ็บอะสมมุติถ้าเราเราเป็นคนมีแผลใช่ไหมมีเรื่องอะไรที่เราทําพลาดนะห้ามคนอื่นพูดตรงนั้นเด็ดขาดพูดเมื่ อ, อไหร่แล้วมันเสียววา้าขึ้นมาเลยนะ ไม่ใช่แค่เสียวนะมันร้องจ้าขึ้นมาเลยนะนะคนมีแผลนะโวยวายขึ้นมาทันทีเลยนะทีนี้ไอ้คนมีแผลเนี่ยนะพวกพวกโทสะเจริญเนี่ยเป็นเหมือนคนมีแผลจริงๆเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็โอ้ยโอยนะร้องจ้ากันโอ้ยโอยมันก็พอๆกันนั่นแหละเพราะว่าผู้มีแผลเขาเป็นอย่างนั้นคือคือร่างกายที่เป็นแผลนํามาซึ่งอะไรความโศกนํามาซึ่งอะไรความเจ็บอักเสบเป็นหนองเป็นอะไรเป็นต้น ใจที่เป็นแผลก็ลักษณะเดียวกันพระผูธเจ้าคนไม่มีแผลเนี่ยนะคนไม่มีแผลเนี่ยทำอะไรก็สบายไปหมดเลยใช่ไหมถ้าเราลองใครเคยมีแผลจะรู้เลยอย่างของอย่างสมัยยกตัวอย่างะของมาเนี่ยถ้าคออักเสบเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแผลที่คอมันเวลาทุบไปก็จะไอแค่ๆลักษณะกันเนี้ยนะเกือบแล้วเกือบแล้วถามว่าเออแล้วคอท่านเป็นยังไงบ้างเอาก็เป็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวปีเป็นรูกศรเป็นความรับผิดเป็นความเจ็บไข้ เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนเน่ยนะอันนี้ถูกแล้วเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ของใครหรอกแต่ถ้าคนที่มีแผลสรุปว่ามันพร้อมที่จะอักเสบทุกแห่งเลยเนะี่ยพร้อมที่คื อ, ค, อคือมันเหมือนกับว่าไม่มีภูมิคุ้มกันใช่ไมมีแผลก็เจ็บแล้วเราทั้งหลายก็เป็นผู้มีปกติเจ็บเนี่ยนะไม่สบายใจคิดไปคิดมาจนไม่สบายใจอ่ะนะมีปกติไม่สบายใจเป็นปกติเนี่ยนะ จะมีความสุขใช่ไหมบางทีนั่นไม่มีอะไรเออวันนี้ว่างๆะนะเงาๆคิดไปคิดมาหาเรื่องลำบากใจกจนได้ใช่ไหมอย่างเช่นนั่งรอรถทําไมต้องไปเดือดร้อนอะไรคิดไปคิดมาจนเครียดเลยทําไมรถมันใหม่มารถมันเสียหรือยังไงเราจะได้ไปไม่ไปทันไหมอะไรคิดไปจนเดือดร้อนจนได้เรื่องไม่เป็นเรื่องเอาจนเดือดร้อนจนได้นะก็เป็นอย่างนี้แหละทําไมเป็นอย่างนั้นไปได้นี่เรียกว่าคนมีแผลก็เป็นอย่างนี้แหละแต่พระองค์นี้หายแผลเสร็จแล้วใช่ไหม นั้นพระองค์นี้ตรงเงินข้ามกับกุตุชนทั้งหมดคิด ง, ง่ายๆถ้าใครจะเจริญพุทธคุณนะเราได้ยินความเลวร้ายของใครก็ตามให้รู้ว่าความเลวร้ายเหล่านั้นไม่มีในพระพุทธเจ้าอันนี้คิดง่ายๆอย่างนี้นะสมมุติถ้าเราบอกว่าคนนั้นทําไมเขาขี้โกรธพระพุทธเจ้าไม่โกรธกันแล้วกันาศาษาเราไม่โกรธถ้าคนนั้นโอ้โหโลกจะเอาจะเอาจะเาภาษ า, าของเราไม่มีคิดจะเอาเลยแนมะ้แต่อย่างเดียว คนนั้นทําไมเขาไม่รู้แม้กระทั่งกรรมและผลของกรรมาศาสดาของเราเป็นสัพพัญยูคือเคขาว่าเห็นไงก็เปรียบตรงกันข้ามกับพระาศาสดาของเราเพราะฉะนั้นเห็นคนเลวขนาดไหนเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าได้เห็นคนไร้ศรัทธาพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้มีศรัทธาเห็นคนทุศีลบอกพระพุทธเจ้าของเรามีศีลเขาก็เรียกพระพุทธเจ้าของเราทั้งนั้นแหละพุทธมามะกะแปลว่าผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรก็ได้เห็นคนเลวแค่ไหนเราก็นึกถึง พระพุทธเจ้าของเราไม่เป็นเช่นนี้เนี่ยนะคิดดูน ะ, ะพระหมหากัจจยนะเนี่ยท่านสันเสริญพระพุทธคุณได้อย่างพิสดารหัวข้อเหล่านี้ถ้าหาไว้ให้ท่านขยายนะท่านขยายแต่ละอย่างเนี่ยสามวันก็ไม่มีจบถ้าหมหากัจจายนะนะเพราะท่านเป็นผู้ที่เป็นเอตตทัคฆะในการจำเนตพุทธพุ ท, พพ ท, พทธพจน์ที่ย่อให้พิสดารได้เนี่ยนะ <c oughs> ต่อไป มันดิอ่ะมันดิตกันตโกแปล ว, ว่าผู้ทาลายเสียนน้ำได้แล้วใครเคยมีถูกน้ำปักมัง่งนะเคยถูกน้ำปักหรือเสี่ยนปักก็ได้อะนะเสียนเนี่ยเสียนถ้าเข้าเล็บเป็นยังไงโอเจ็บมากเลยเนะ่เสียนเนี่ยก็คิดง่ายๆอย่างเงี้ยนะเราเราไม่ต้องไปอะไรมากมายใครเคยฟันมันห่างหน่อยแล้วกเกษตรอาหารมันไปปักเอาไว้นะแล้วมันค้างวันนั้นท้ามจิ้มบ อ, อกเด็ดขาดอะไรจะเกิด ห้ามใช้ไหมกัดฟันห้ามอะไรนะปล่อยให้มันคลั่งอยู่ในฟันนั่นแหละนะมันไม่ใช่น้ำนะเอาเศษอาหารเนี่ยทานไปแล้วมันเน็บไว้ในฟันนั่นแหละนั่งอยู่สักวันหนึ่งจะเป็นยังไงอุ้ยเครี <c oughs> นะขาไม้จิ้มฟันหามไหมขัดฟันอขาอย่างนั้นนะอันนี้แค่ธรรมดานะถ้าเป็นน้ำปักที่หลังเล็บจะขนาดไหนนะแต่ถ้ามีอะไรมาปักที่กายของเราเนี่ยนะสิ่งที่ไม่พึงประสงค์แล้วมันมีพิษด้วยเนี่ยผมจากเศษเจ็บปวดร้อนสักพานใด สนพระองค์นี้ไม่มีหนามเหล่านั้นเลยในใจเนี่ยนะของเรามีหนามกันเยอะเนี่ยนะก็คิดดูนะเอาถามว่าชีวิตของเราทั้งหมดที่ผ่านมานะคิดแล้วสบายใจมีอยู่กี่เรื่องคิดแล้วยิ้มแป้เลยนะนั่นก็ฌานของเรานั่นก็ศีลของเรานั่นก็ภาวนาของเรานั่นก็สมถะโอ้นั่นก็ความดีไม่โดยมากไม่ใช่อยังไงนั่นก็ความเลวของเราชิ้นหนึ่งนะนั่นก็ทํางานนั่นก็ ใช้ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่หมอกคิดแล้วก็เศร้าใจอันนะัเรียกว่าคนที่ถูกหนา ม, ป, า ม, ามปักมาไปอย่างเงี้ยนะรูปไปห่ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยคนอื่นไม่ทราบนะขอม า, มานี่มันนั่งนึกก็นั่นก็อย่างว่านะเป็นคนพิเศษอยู่เหมือนกันนะมองเห็นตรงไหนนึกถึงบาป ท, ที่ตัวเองทําได้เกือบหมดเราได้เกือบทุกเรื่องเลยนะนะโอ้ทำไมมันมากขนาดนั้นเนะี่ยตอนนี้พยายามจะจะชดเชยให้มันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ อย่เห็นดอกไม้นี่เขามาแต่นึกได้เพื่อนเคยชวนไปขโมยหักดอกไม้อย่างเงี้ยนึกไปได้หมด่ะนะถ้าที่เคยทําบาปนะนึกได้หมดอ่ะเชื่อเะลเนไหมไม่มีที่ไม่มีหายากมากเห็นไหมมันก็ต้องร้อยของใครก็ของใครแล้วกันนี่มันทางออกเอาเนอะนะศึกษาถ้าทำเผื่อจะออกได้ปั๊กผู้ที่มีน้ําปักมาก็เป็นคนที่น่า เป็นใจใช่ไหมพอนึกได้ก็อา้าวตรงนั้นก็ยังไม่ได้บ่งออกตรงนี้ก็ยังไม่ได้บ่งออกก็เจ็บแสบปวดร้อนส่วนพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะน้ำเหล่านั้นพระองค์ทอนออกหมดแล้วเนี่ยนะพระองค์จึงอยู่ที่ไหนคนอยู่สบายนั่งก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายสบายอิริยาบทสี่เพราะเป็นคนไม่มีน้ำปักนิพพานิตะปริยุทธานโนผู้ดับปริยุทธานกิเลสได้แล้ว นิวรหเนี่ยเป็นปริยุทธานกิเลส น, นะก็เรียกว่าปริยุทธานเวลามันเกิดขึ้นมันกลุ้มรมใช่ไหมมันกล่้มรมทั้งกหัณฐะสยาบาททีนามิทัศอุทจักกุกุจะแล้วก็วิจิกิจชาเพาเห็นง่ายก็คือทีนามิทัศนนะ์นันมันโอ้โหมันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้ น, นจะหลับไม่หลับแลให้ได้นะนั่นะก็คือเป็นลักษณะปริยุทธานี่มันกลุ้มรมเนี่ยนะตอนเช้าไม่เท่าไหร่นะตอนบ่ายเดี๋ยวก็ดู พญาช้างมันท่วมทับตัวมันใหญ่มากล้มทับเอานะหนังตาเนี่ปกติมันไม่เคยมีน้ำหนักเลยนะไม่มีความรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักนะหนักๆเข้ามันจะยกไม่ขึ้นนะโอ้ยหนักจริงๆมันจอมันจะคลิกไม่ไหวมันไง น, นะหนักมากะนะก็ทีนมิถานนี่มันปริยุทธ์ฐานที่กลุ่มรุมแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ปุกอุทจักปลุกุธธกจจะใช่ไหมไปทําอะไรมาเสร็จก็ไม่สบายใจทํามาก็ไม่สบายใจทํามาแล้วก็ไม่สบายใจ และพวกนี้ก็อุทจักกุกุจะเน้อถึงเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนใจพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นหรอกไม่มีกิเลส ต, ตัวใดที่จะมากลุ้มรุมพระองค์เลยข้อต่อไปพันธนาตีโตผู้ล่วงพ้นจากเครื่องผูกเนะเครื่องผูกเครื่องผูกคือกามเป็นต้นหรือเครื่องผูกใดๆที่จะผูกให้ติดกับวัตตะนี่ไม่มีเลย พระ อ, องค์เนี่ยนะถ้าถ้าผู้ที่ไม่มีเครื่องผูกเนี่ยนึกง่ายๆอย่างเงี้ยเหมือนลมเนี่ยพัดทุกแห่งใช่ไหมเคยเห็นลมไปติดค้างอยู่ตรงใดสักแห่งนึงไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีเครื่องผูกประดุดลมเนี่ยนะพัดได้ทุกแห่งแล้วก็ไม่มีที่ติดสักแห่งเดียวแต่ของเราเนีเหมือนไม่เหมือนไม่ติดพอพูดถึงตรงนั้นปั๊บนะนานเลยเรื่องยาวเลยนะถ้าตรงนั้นนะ สังเกตง่ายๆนะใต้อย่างเขาดูเข้าไม่ค่อยอะไรนะเราคุยเรื่องที่เขาชอบดูเธอะเราพูดคำเดียวที่เหลือพูดหมดเลยเออลุงเรืองเราไปไหนแล้ววันนี้ไม่เห็นนั่งอยู่ด้านหลังโอนั่งมานั่งอยู่ข้างหน้าด้วยกันเนี่ยลุงเรืองทาใจให้สบายข้อปฏิบัติลุงเรืองเขามีอยู่ข้อหนึ่งทำใจให้สบาย เวลาลงเรือเครียดเนี่ยของมาแบบทำใจให้สบายแต่เงียบเลยนะ <c oughs> ไม่ยอมทําสบายตามเลยอ่ะก็คือคนที่ไม่มีเครื่องผูกเนี่ยดีจริงๆนีนะจะไปไหนก็สบายเป็นคลักษณะเสรีชนเน่ยนะเสรีชนทั้งร่างกายและจิตใจพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นอย่างนั้นะนะพระองค์ทำอะไรก็ตามประสงค์ทั้งหมดไม่มีเครื่องผูกเลยนะของของถ้าเป็นคนอื่นทั่วไปนะมันมันมันมีเงื่อนไขเต็มไปหมดเลยใช่ไหม อ น, นุ่นก็อนโอ้ยากทุกเรื่องเต็มไปด้วยอุปสรรคทุกอย่างไปหมดอุปสรรคทางกายอุปสรรคทางใจเพราะมันถูกเครื่องผูกผูกเอาไว้เพราะพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเลยนี่คันทะนี่เวทโนแปลว่าผู้แก้เครื่องผูกคือคันทะเครื่องร้อยรัตเนี่ยนะคันทะเครื่องร้อยรัตคืออะไร อ, อภิชากายคันทะพยาปาทากายคันทะศีลพัตตปรามาสกายคันทะอิทังสัจจานิเวสกายคันทะ ไอ้คันถากคือเครื่องร้อยรัดคือกามคือโทสะคือศีพลพจนที่เป็นวัดปฏิบัติของตนเนี่ยนะแล้วก็ไอ้ตัวรับที่ยืนยันแบบความเห็นของฉันเนี่ยใช่คนอื่นผิดหมดลักษณะเนี่ยก็เรียกว่าอีทางสัจจาพินิเวสากายคันถาพวกเรว่าถือเอาแต่ความเห็นของตัวนะแต่ตัวเองถือเป็นอะไรแล้วก็คนอื่นไม่ต้องมายุ่งหรอกเนี่ยนะพวกนี้แหละเรียกว่าอีทางสัจจาพินิเวสาก็พวกอีทางสัจจาพินิเวสากายคันถาเครื่องร้อยรัด ทันท่เครื่องผูกเครื่องร้อยเครื่องรัดเครื่องมัดมัดให้จนไม่ต้องออกหลอกจากวัฏะเนี่ยในยูนี่แหละดีแล้วเนี่ยนะยนนยนะก็คือพวกเครื่องผูกเหล่านี้ทําให้ยินดีที่จะอยู่ในวัฏฏะอัจฉาิยะวีติวัตโตผู้ล่วงอัจฉริยใสที่ไม่ดีแล้วอัจฉริยใสที่ไม่ดีหมายก็ว่าไงอัธยาศัยที่ไม่ดีหนึ่งกามัธยาศัยใจคิดสแสวงหาแต่กรรม อันนี้ก็ เ, กเป็นการมัตญาสายัยอัตยาศัยที่ไม่ดีอย่างหนึ่งนะสองพยาปาทัทยาศัยคิดหาแต่ความเลวของคนนะบอกว่าภายในสนาทีนี่เขาหาความเลวได้ทุกคนยัง ไ, ไงได้ครับบางคนนี่เก่งขนาดนั้นเลยนะไม่รู้ทําอะไรมามองเห็นความเลวได้ทุกคนเนะี่ยคนนี้ไม่ดีตรงนี้คนนั้นไม่ดีตรงนั้นเลวเหลือทนตรงนั้นหาความผิดพลาดของคนอื่นคนอื่นได้อย่างชํชนานิชํานาญอันนี้เรียกว่าพยาปาทัทยาศัย แล้วก็อีกต่อไปนะถีนมิธาทายาศัยก็นิ่งก็เป็นหลับทุกครั้งเลยนะพวกนี้ก็ถีนะมิธะแล้วก็พวกทิฏฐิวิบัติเป็นอัทยาศัยบางพวกก็เป็นอุเฉททิฏฐิบางพวกก็เป็นสัตตทิฏฐิพวกนี้เรียกว่าอัธยาศัยที่ไม่ดีนะทวนนะอัทยาศัยที่ไม่ดีหนึ่งการมัธยาศายสองพยาปาทัทยาศายสาถีนะมิธาสพวกมิธาทิฏฐิทั้งสัตตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิอันนี้เรียกว่าัายาศัยที่ไม่ดี อัธยาศัยเหล่านี้พระองค์พ้นหมดแล้วไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียวส่วนพระอง์นี้มีอะไรเนคขมัทยาศัยอัพยาปาททยาศัยมีอะไรอวิหิงสาอัธยาศัยแล้วก็มีอะไรนะอโมหัทยาศัยอะโรภัทยาศัยเนคอะไรนะวิเวกัทยาศัยนิสระนัศยาศัยนั่นแหะคืออัธยาศัยของพระพุทธเจ้าก็มีแต่อัธยาศัยที่ดีๆทั้งเลยเรียกว่าคนอัธยาศัยดี คนที่อัธยาศัยไม่ดีคือคนมกักมากคนมักโกรธพวกนี้กลุ่มนี้อัธยาศัยไม่ดีพระพระพุทธเจ้าตรงกันข้ามหมดเลยส่วนต่อไปพินนาธิกโรผู้ทําลายความมืดคือโมหะได้แล้วทําให้แตกได้หมดเลยในะความมืดความมืดเนี่ยมันเหมือนกับอะไรนะกระเปาะที่มาหุ้มใช่ไหมมาหุ้มตาหุ้มหุ้มไม่ให้เห็นอะไรสักอย่างพองทําลายกระบอกอันนั้นออกหมดแล้วก็เลยเห็นความจริงทุกเรื่อง